ตอนที่143ความวุ่นวายในตระกูลหยวนไม่จบสิน้นน้องเล็กเธอปิดเทอมเร็วขนาดนี้เลยเหรือแล้วพี่ใหญ่ปิดเทอมหรือยังเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เจ้งเศ้าซิงจู่จู่ก็โพรงถามถึงหยวนเศร้าเหิงขึ้นมาหลีหว่นเองก็ไม่แน่ใจเพราะหลังจากเจอกันครั้งก่อนพวกเขาก็ไม่ได้พบกันอีกเลยทำไมละ่ะถ้าลูกคิดถึงพี่ใหญ่ก็ติดต่อเขาได้นี่เจ้างวินงโฉงกล่าวเสียงเรียบโทรศัพท์ไปบอกให้เขากลับมาอยู่บ้านสักสองสาวันก็ได้ไม่ใช่หรอ ถึงตอนนี้พี่ใหญ่ของพวกเจ้าจะไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้แล้วแต่ไม่ว่าเมื่อไหร่พวกเจ้าก็ยังเป็นน้องชายของเขาอยู่ดีโทรตรงไปที่ตระกูลหยวนเลยพ่อจําได้ว่าที่บ้านคุณปู่คุณย่าของเขาน่าจะมีโทรศัพท์นะโทรไปแบบนั้นจะไม่เป็นการรบกวนเหรอครับเจ้งเศร้าสิงกระพริบตาปริบ ป, ปริบไม่หรอกถ้าคิดแบบลูกการไม่โทรไปเลยสักครั้งถึงจะเรียกว่าไม่รบกวนแล้วพี่ใหญ่ของลูกจะกลับมาอยู่บ้านเมื่อไหร่ล่ะอ้อจริงด้วยเดียวผมจะโทรหาพี่ใหญ่เดี๋ยวนี้แหละ แววตาของเจิ้งเศร้าอย่างสันหวเล็กน้อยถ้าพี่ใหญ่กลับมาเธอจะกลับมาพร้อมกันด้วยหรือเปล่าโทรศัพท์ที่เจิ้งเศร้าสิงโซไปตอนคําหยุนเศร้าเหิงไม่ได้เป็นคนรับเพราะโรงเรียนของเขายังไม่ปิดเทอมคนที่รับสายคือแม่หยวนหลังจากฟังสิ่งที่เจิ้งเศร้าสิงพูจบเธอก็ย้ำยิ้มแล้วตอบรับจะไวเศร้าเหิงกลับมานะจะบอกให้เขาไปอยู่บ้านโน้นสักสองสามวันนะขอบคุณครับคุณนะเจิ้งเศร้าสิงวางสายไปแม่หยวนจึงเดินขึ้นไปข้างบนแล้วบอกเรื่องนี้กับเหล่าหยวนอย่างไม่ใส่ใจนัก ดึกดืนป่านนี้ใครโทรมาที่บ้านละ่ะหยวนเฟยขมวดคิ้วทางตระกูลเจิ้งนะ่ะแม่หยวนชะงักไปครู่หนึ่งก่อนพูดต่อเขาโทรมาถามว่าเส้าเหิงปิดเทอมหรือยังอยากให้เขากลับไปอยู่ที่นั่นสักพักลูกปิดเทอมยังไม่ทันได้อยู่บ้านตัวเองสักวันพวกเขาจะรีบเรียกตัวไปทําไมหยวนเฟยดูไม่ค่อยพอใจนะักพวกเขาอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีเวลาหลังจากนี้ควรจะเป็นของตระกูลหยวนสิถึงจะถูก พูดแบบนั้นไม่ได้หอกยังไงเด็กคนนั้นก็เติบโตมาในตระกูลเจิ้งบางทีในใจของเขาครอบครัวเราอาจจะไม่สําคัญเท่าคนตระกูลเจิ้งก็ได้แม่หยวนกล่าวอย่างจริงจังโดยเฉพาะต่อหน้าลูกห้ามพูดจามไม่ดีเกี่ยวกับตระกูลเจิ้งแม้แต่ครึ่งคําเข้าใจไหมระวังจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกเสียไปรู้แล้วหนะ้า น้ำเสียงของหยวนเฟยดูหงุดหงิดเล็กน้อยกว่าจะตามตัวลูกชายกลับมาได้แต่ลูกกลับไม่สนิทใจกับพวกเขาสองสามีภรรยาเลยนอกจากหน้าตาที่ดูคล้ายคลึงกับพวกเขาแล้วตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาพวกเขายังไม่สามารถเข้าไปในใจของลูกได้เลยไม่รู้เลยว่าลูกคิดอะไรอยู่นิสัยเย็นชาแบบนี้เป็นมาตั้งแต่แรกหรือเพิ่งจะเป็นตอนกลับมาตระกูลหยวนกันแน่คุณห้ามมานั่งคิดฟุ้งซ่านอยู่ตรงนี้เดิมทีก็เป็นพวกเราที่ติดค้างเศร้าหงุดตอนนี้ลูกอุตส่าห์กลับมาได้ฉันก็ไม่ได้หวังอะไรมากแค่อยากให้ครอบครัวเราอยู่กันอย่างมีความสุขและปออองดองดกกันก็พ แม่หยวนเลิกผ้าห่มขึ้นแล้วนอนลงลูกชายเราก็นับว่าสร้างชื่อเสียงให้เราณคุณไม่เห็นลูกชายสามคนของบ้านหยวนร้องหรือเหอะมีลูกเยอะแล้วจะมีประโยชน์อะไรแต่ละคนไม่ได้เรื่องสักอย่างดีแต่หาเรื่องเดือดร้อนมาให้ที่บ้านชู้คำพูดพวกนี้พูดต่อหน้าผมก็พอแต่อย่าไปพูดต่อหน้าท่านผู้เฒ่าทั้งสองเชียวไม่ว่าอย่างไรนั่นก็คือหลานชายของบ้านท่านผู้เฒ่าทั้งสองไม่ชอบฟังเรื่องแบบนี้ฉันไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกแม่หยวนกล่าวต่อ ที่ฉันพูดเนี่ยเพราะเป็นห่วงลูกชายเราในอนาคตลูกต้องสืบทอดกิจการของตระกูลแน่ๆคุณที่เป็นที่ใหญ่ตอนนี้ต้องคอยจัดการบริษัทและแก้ปัญหาให้น้องชายไปตั้งเท่าไหร่ต่อไปลูกชายเราต้องมาคอยดูแลน้องชายอีกสามคนแถมสามคนนั้นยังสู้คุณที่เป็นน้องชายไม่ได้ด้วยซ้ํำยวนเฟยปิดหนังสือลงสีหน้าเริ่มจริงจังขึ้นมาสิ่งที่ภรรยาพูดมานั้นมีเหตุผลแม้จะบอกว่าลูกชายต้องสืบทอดบริษัทแต่ก็เป็นเพียงการถือหุ้นส่วนใหญ่เท่านั้น ท่านผู้เฒ่าไม่มีทางปล่อยให้ครอบครัวหยวนร้องอดตายอย่างมากก็คงให้ตำแหน่งลอยๆในบริษัทไว้แต่ครอบครัวหยวนร้องไม่ได้คิดแบบนั้นแน่กลัวว่าพวกเขาจะมีแผนการอื่นมาสร้างความลําบากให้ลูกชายคุณดูห้องเต้สมัยก่อนสิก่อนจะสวรรคตยังต้องพยายามหาทางทางทางให้ราชทายาทแล้วคุณละทําไมไม่รู้จักคิดเผื่อลูกชายตัวเองบ้างแม่หยวนเอื้อมือไปผลักแขนหยวนเฟย อ, อย่าสร้างภาระให้ลูกหยวนเฟยพยักหน้ายอย่างครุ่นคิด ผมเข้าใจเหตุผลที่คุณพูดแต่ถ้าทําออกนอกหน้าเกินไปท่านผููเท่าทั้งสองคงไม่ยอมแน่เรื่องนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปคุณเข้าใจก็ดีแล้วจําไว้นะไม่ว่าเมื่อไหร่ลูกชายก็คือคนที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดส่วนพวกหลานๆของคุณนัม้มีใครบ้างที่ไม่จ้องจะทําลายคุณหยวนเฟยอ้อแล้วเรื่องการแต่งงานของลูกฉันก็คิดไว้แล้วต่อไปต้องหาครอบครัวที่ฐานะคู่ควรกันให้ลูกแบบนั้นทางบ้านภรรยาจะได้เป็นที่พึ่งพาได้ด้วยผมว่าเรื่องนี้ไม่สําเร็จรหรอกหยวนเฟยสายหน้า ลูกชายเรามีความคิดเป็นของตัวเองคุณจะไปจัดการเรื่องแต่งงานให้เขาตามใจชอบลูกคงไม่ยอมรอกตอนนี้เขายังไม่มีคนที่ชอบนี่นาฉันจัดการอย่างไรเขาก็ต้องฟังอย่างนั้นแหละหยวนเฟย์ไม่ได้คิดเรื่องนี้ต่อสิ่งที่เขากังวลยังคงเป็นครอบครัวหยวนรองก่อนช่วงตรุษจีนหยวนเศร้าเหิงไปอยู่ที่บ้านตระกูลเจิ้งเจ็ปดวันแล้วค่อยกลับมาฉลองปีใหม่ที่ตระกูลหยวนเรื่องนี้ทําให้ท่านผู้เฒ่าทั้งสองของตระกูลหยวนไม่พอใจเป็นอย่างมาก ทั้งที่เป็นหลานชายคนโตของบ้านแท้ๆแต่กลับรอจนใกล้จะถึงวันปีใหม่ถึงค่อยกลับมาทำตัวเหมือนเป็นหลานบ้านอื่นไปได้หยวนเฟยและภรรยาต้องช่วยพูดจาดีๆตั้งหลายครั้งแต่ในใจของคนแก่ทั้งสองก็ยังคงไม่สบอารมณ์อยู่ดีพวกเขารู้สึกว่ากิจการใหญ่โตขนาดนี้หากในอนาคตยกให้หยวนเศร้าเหิงไปก็เหมือนยกให้คนอื่นฮูญินเท่าหยวนกระแอมไอ ตระกูลเจิ้งน่นถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของบ้านเราจ ร, จริงๆบ้านเราไม่ขาดแคลนเรื่องเงินทองลูกจะส่งเงินไปให้พวกเขาเท่าไหร่ก็ได้แต่ช่วงปีใหม่ต้องกลับมาบ้านต่อไปห้ามกลับมาข้าวแบบนี้อีกพวกเราไม่ได้เจอหลานตั้งนานทำไมไม่รู้จักกลับมาอยู่เป็นเพื่อนปู่กับย่าแท้ๆบ้างสีหน้าของหยวนเศร้าเหงดูเคร่งครึมทางนั้นก็เป็นปู่กับย่าแท้ๆของผมเหมือนกันหลานเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพวกหลานไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ก, กันเลยนะแต่พวกเราต่างหากที่มีสายเลือดเดียวกับหลาน มีคำโบราณกล่าวไว้ว่าบุญคุณที่เลี้ยงดูมายิ่งใหญ่กว่าบุญคุณที่ให้กําเนิดครับหยวนเส้าเหิงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาตาเท่าได้ยินหรือยังคนในบ้านแท้แต่กลับเข้าข้างคนนอกเส้าเหิงพวกเราต่างหากที่เป็นครอบครัวเดียวกันปู่หวังว่าหลานจะปรับตัวได้ในเรวันนะท่านผู้เฒ่าหยวนช่วยเสริมท่านพอท่านแม่ครับวันปีใหม่แบบนี้อย่าพูดเรื่องที่ไม่สบายใจเลยลูกโตขนาดนี้และย่อมมีความคิดเป็นของตัวเองพวกเราไปบังคับอะไรเขาไม่ได้หรอกครับ หยวนเฟยอธิบายอย่างกระอักกระอ่วนผมว่าลูกเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วรู้จักกัตันยูรู้คุณคนนี้แหละถึงจะเป็นเด็กที่ดีของตระกูลหยวนเราที่ใหญ่ผมว่าพี่ไม่เข้าใจความหมายที่ท่านพ่อท่านแม่พูดเลยนะท่านกังวลว่าอุตสาหกรรมที่ตระกูลเราสร้างมาตั้งหลายปีเนี่ยถึงเวลาจะกลายเป็นของคนอื่นไปฟรีๆต่อไปคงไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็นเจิ้งหรอกนะหยวนรองพูดใจย้ยอยู่อย่างไม่กลัวเรื่องบานปลายเห่อฉันว่าก็หมายความตามนั้นแหละสไปร์ลองหยวนพยักหน้าเห็นด้วย ฉันว่านะยังไงเด็กที่เติบโตมาต่อหน้าเราเองก็ดีกว่าท่านพ่อท่านแม่ดูสิผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพที่ลูกชายคนโตกับคนรองของฉันซื้อกลับมาให้จากต่างประเทศได้ยินว่าคนต่างชาติเขากินอันนี้กันดีต่อร่างกายมากเลยนะ